มาย้ำดูกันเรื่องขันก่อนจะไม่อธิบายมากละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ผ่านคอร์สพื้นฐานกันมาจนหมดแล้วรูปนี้หรือว่าสไลด์นี้ก็เห็นกันมาบ่อยแล้วรูปกินเนื้อที่จับตัวเองได้เนีย่ยรูปลมหายใจเป็นรูปลองฟังเสียงแอร์ครับเสียง เป็นรูปกระทบเข้ามาที่หูเป็นรูปหูก็เป็นรูปนะใจรู้สึกเฉยๆใจเป็นนามเพราะฉะนั้นรูปกินเนื้อที่เอ๊ะเสียงกินเนื้อที่เหรอเสียงเป็นรูปนะมาเป็นความถี่กระทบเข้ามาเป็นรูปภาพที่ตาเห็นเป็นรูปนะกลิ่นเป็นรูป อ้อายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลภัพฑ์ก็คือสัมผัสเนี่ยเป็นรูปทั้งหมดนะครับเป็นรูปเอาละรู้จักรูปแล้วนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนะ่อันนี้คือเวทนาทางใจส่วนเวทนาทางกายก็เจ็บปวดคันชาทั้งหลายนะเรียกว่าเวทนาทางกายเป็นเวทนาอันสืบเนื่องมาจากกาย ส่วนเวทนาทางใจก็เป็นผลกระทบจากผัสสะนะครับก็เกิดเป็นเวทนาทางใจเอาละเวทนานะครับทีนี้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยพอจิตตั้งมั่นมันก็จะเห็นขาดออกจากความเป็นเราบ้างเอ๊ะนี่มันก็แค่เวทนาเนี่ยทำไมเราจะต้องไปสุขไปทุกข์ไปชอบไปไม่ชอบไปพอใจนะน ะ, นะเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ฟังธรรมมากๆมากๆา ก, าก้าให้วกกับเข้าไปสังเกต รูปเวทนาสัญญานะครับสัญญาก็คือการความจําได้หมายรู้ดวงใจหัวใจนี่สีอะไรครับสีแดงรู้ได้ไงว่าสีแดงเพราะมีสัญญาเดิมอยู่ถ้าไม่มีสัญญาเดิมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรขันห้าถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาแขกก็อ่านไม่ออกเพราะไม่มีสัญญามาเลยนะแต่ให้อ่านได้เพราะว่าสัญญาพระเจ้าบอกว่าสัญญาทำงานอยู่หลังพรรษา เมื่อเกิดผัสสะกระทบสัญญาจะออกมาทํางานเพราะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ในวงจรปฏิจจสมุปบาทอันนู่นก็มีอันนี้ก็มีแล้วสัญญาอยู่ไหนเนี่ยไม่มีอยู่ในวงจรนะวงจรเนี่ยสัญญาเนี่ยอยู่หลังผัสสะนะครับแต่ว่าไม่ได้โชว์ออกมาพระเจ้าตัดเอาไว้ในพระสูตรเนี่ยอ้าวมองไปที่มุมซ้ายบนผัสสะกระทบรูปกระทบตาปั้งสัญญาออกมาแปรเลยนะฮะเนี่ยสัญญาทํางานตรงเนี้ย สัญญามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาแต่เราไม่ได้เอามานึกว่ามันเป็นสัญญาถ้าเรานั่งอยู่แล้วมีคนไม่ได้ปิดโทรศัพท์แล้วมันดังกริ้งขึ้นมามันหุดหงิดปุบหันไปมองเนี่ยสัญญา มันฝังรากลึกตรงนี้ลงไปจนกลายเป็นการตอบโต้แบบอัตโนมัติเวลาชำระก็ต้องเข้าไปชำระพุกเนี้ยสังขารความคิดปรุงแต่งเห็นไหมสังเกตดูเถอะสองคำนี้จะมาพร้อมๆกันความคิด ปรุงแต่งจนนึกว่าเป็นคําเดียวกันเวลาคนปฏิบัติเริ่มต้นปฏิบัติคิดปั๊บก็กลับมารู้ลมคิดปั๊บกลับมารู้ลมคิดปั๊บกลับมารู้ล ง, ดลลงเดินจงกลมคิดปั๊บหยุดกลับมาอยู่ที่เดินดับแล้วก็เดินต่อก็ฝึกกันมาอย่างนี้ทุกคนถ้ามีใครสักคนในนี้ อีกยี่สิบปีข้างหน้าปฏิบัติจนเข้าใจหลุดพ้นเข้าถึงวิมุติเห็นแล้ ว, ว่าคิดโดยจิตสงบก็ได้ถ้าไม่มีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคุณปล่อยให้คิดไปแล้วปล่อยวางความคิดใจก็จะสงบ เพราะมันไม่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราคนที่ถึงตรงนั้นแล้วพูดอย่างนี้ทุกคนผมถามว่าทำได้ไหมพอผมหยิบบันทึกของคนนั้นขึ้นมาดูเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่เขาปฏิบัติเขาบอกว่านี่คือวิธีฝึกของเขาคือพอเริ่มคิดปั๊บหยุด แล้วกลับมาอยู่กับองค์บริกรรมพอคิดปรับวางคิดแล้วกลับมาอยู่กับวง์บริกรรมแต่วันที่เขาบรรลุธรรมแล้วเขาบอกว่าคิดโดยจิตสงบก็ได้เพราะฉะนั้นแค่ปล่อยวางความคิดไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จบทําไมจะต้องหยุดคิดด้วยเอานี่แหละ ผมถึงบอกว่าผู้จ้าถึงได้บอกว่าปฏิบัติตามมักมีองแปดนะมันจึงกลายเป็นบางครั้งคำว่าที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยจึงเกิดอย่างอย่าฟังคำสาวกเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีการถกเถียงกันมากสำหรับคำพูดนี้เนี่ยเพราะเหตุเนี่ย คนเดินตามเวลาฟังภูมิธรรมขั้นสูงสุดคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านไม่เห็นหรอกว่าตอนที่เริ่มต้นจริงๆยังมีกามยังเสพติดยังไม่สามารถพากกระทบมายังต้องหุดหงิดยังต้องโกรธอยู่เลยเนี่ยจะงงๆว่าทำไมเขาด่าต้องโกรธ ด, ด้วยวะ อีกฟังอีเอกคนก็บอกว่าด่างไงว่าไม่โกรธยืนกันคนละข้างเลยเนี่ยเห็นวันนี้นะฉลาดที่จะเดินนะแล้วก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเวลาฟังธรรมผมถึงชี้มุมมองให้เห็นแล้วก็นำคำของพระเจ้ามาบอกทั้งหมดกํากับ แต่คำของครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อให้เห็นมุมมองเวลาผู้ที่ถึงทำแล้วเขามองหรือแม้แต่เรื่องบุหรี่เอาขึ้นมาชูทำไมเรอจะให้ทุกคนสุขเปล่าแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจลึกไปกว่านี้ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยยังสมัยก่อนผมก็ยอมรับอะไรผมรับไม่ได้ คนธรรมดายังเลิกได้ทำไมพระถึงเลิกไม่ได้ปฏิบัติมาขนาดนี้เลิกได้ทุกอย่างทำไมบุรีเลิกไม่ได้แต่พอวันนึงเข้าใจผมถามว่าสมมติว่าพี่โกยของเราเป็นคนชอบกินโคกแต่ท่านไม่กินนะผมเท่าที่รู้น้ำส้มยังไม่ใส่เลพริกก็ไม่เติมชอบกินโคก วันหนึ่งไปบวชพวกเราไปหาหลวงพี่โกยก็ซื้อโคกไปถวายหลวงพี่ถูกไหมเพราะหลวงพี่ชอบกินโคกอะแล้วโลกมันจะเดือดร้อนอะไรอะแล้วก็ไม่เห็นดีใครว่าอะไรไปกดตามตู้ก็ได้อีกยี่สิบปีต่อมาโคกนี่มันกินทั้งฟันผุกํมไส้ทะลุวินาสันตโลหมดมีคาเฟอีนมีอะไรต่ออะไร เกิดการหลนระลงกันอย่างแรงเลยให้หยุดกินโค้กโรงเรียนห้ามขายน้ำอัดลมแล้วก็เราโมดด่าโค้กกันอุตลุดหลวงพี่โกยก็ถามว่าอ้าวโยงวันนี้ไม่ซื้อโค้กมาฝากอาตมาเหรอโอยหลวงพี่เขาเลิกกันหมดแล้วหลวงพี่ยังเลิกไม่ได้อีกเลย อ, อ้าวเฮ้ย ใครจะเลิกก็เลิกไปซื้อมาโอ้หลวงพี่ติดหรอหลวงพี่ไม่ได้ติดขันติดหลวงพี่ไม่ได้ติดแต่ไม่พูดหรอกโอ้ยมาตัวสุดท้ายวิญญาณ วิญญาณเนี่ยถ้าเรานึกถึงวงจรปฏิจจสมุปบาทเอาละถ้าใครยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนเมื่อคืนก็เปิดให้ดูวิญญาณแล้วก็มานามรูปนะครับวิญญาณจะอยู่ตัวที่สามต่อมาจากสังขารแล้วก็ต่อมาจากอวิชชาพอมีวิญญาณก็จะมีนามรูปนามรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นขันห้าห้าตัวเนี่ย มีวิญญาณหนึ่งแล้วก็นามรูปสี่อยู่ข้างล่างในวงจรก็ไม่ใช่ว่าขันห้าจะไปรวมกันทั้งกระจุกอยู่ที่นามรูปก็เปล่าแต่ก็น่าแปลกคือวิญญาณเกิดก่อนแสดงว่าตั้งแต่พบชาติแรกๆเลยหรือว่าชาติแรกของมนุษย์หรือของใครทุกคนหรือของสัตว์มันเกิดวิญญาณขึ้นมาก่อนแฮมันถึงมาสร้างนามรูป แล้วพอสร้างนามรูปเสร็จมันจึงมาสร้างอายตนะคือปัญจาสาขาเพื่อจะต่อเชื่อมกับโลกให้ได้พอต่อเชื่อมเสร็จวิญญาณก็ไปอยู่ในสิ่งที่มันสร้างเอาไว้เกิดเกิดดับดับงตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาเป็นเวทนาเป็นอาการของจิตแล้วก็สร้างตัณหาพบก็เกิดทันที เอาละเรารู้จักขันห้าก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้มาดูในเชิงปฏิบัติหน่อยเวลาท่านนั่งภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเผื่อว่าความตั้งมั่นมันถึงจุดมันอาจจะเห็นแวบๆขึ้นมาเอาละสมมติว่าเรากำลังนั่งสมาธิกันอยู่เริ่มต้นเราก็รู้ลม แสงไฟเนี่ยเหมือนวิญญาณความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ความจริงที่เราไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้ครับแต่มันกระพริบเร็วมากไม่ได้กระพริบช้าอย่างนี้แต่เราเห็นอย่างนี้พอนั่งรู้ลมไปสักพัก มันคิดปุ๊บตอนนี้อยู่ที่สังขารแล้เผลอไปคิดปับ๊บเราก็จะเห็นว่าวิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารความคิดปรุงแต่งสักพักสติระลึกปับ๊บโอ้ยเผลอคิดปรุงแต่งแล้กลับมาอยู่กับลมเราก็เห็นวิญญาณมาอยู่กับลมอีกเผลอคิดพบมันไปตอนไหนไม่รู้ไปรู้อีกทีอ่ะคิดอีกแล้ว แล้วก็กลับมารู้ลมอีกเราเห็นมันอย่างนี้จริงๆมันจึงคล้ายๆว่าเราดึงกลับมาสังเกตไหมเวลาท่านนั่งอะ่ะพอเดี๋ยวเดินนั่งแล้วคิดดึงกลับ ม, มันเหมือนอดึงกลับมาอย่างงี้เราจะเห็นภาพนี้จะเห็นยังไงก็ได้แต่มันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงมันคือ แล้วมันไปอยู่กับคิดพอสติระลึกปั๊บมันกลับมาอยู่กับลมเดี๋ยวเดี๋ยปุ๊บมันไปอยู่กับคิดพอสติระลึกปั๊บมันก็กลับมาอยู่กับลมมันเกิดมันดับมันดับมันเกิดมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้แต่จาได้ไหมครับว่าสเพสังคาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงทำไมจึงรู้ว่าไม่เที่ยงละ่ะเพราะหลังจากนั้นมันเริ่มเข้าไปสังเกตมันเห็นความคิดเกิดดับรูปลมหายใจก็ดับพอดับก็คิดเกิดคิดดับก็รูปเกิดลมเกิด ลมดับรูปดับคิดเกิดสังขารเกิดอยู่เนี่ยมันเห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกิดดับเลยตัวมันไม่เกิดดับมันเลยเห็นเพื่อนสี่ขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในเพื่อนหมดเพื่อนดับกันหมด เว้นกูกูเนี่ยอยู่นิจลันไม่มีเกิดดับครับแต่เพื่อนเนี่ยกระจอกเห็นหมดเพื่อน่ะดับกูว่าไม่มีดับอะมาดูโอ้รูปมันดับเนู่ะโอ้ยความคิดดับมันอะไม่เคยดับเลยนะเนี่ยมันไม่เคยดับสัญญาไปเห็นโอ้สัญญาก็เกิดดับพอรู้แล้วสัญญาดับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ว่าวิญญาณเกิดดับ แต่รู้แน่ๆเลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดดับแค่นี้เป็นพระสวดาบันไดแล้วมีศีลบริบูรณ์เห็นสัพเพสังขาราอนิจจาภูมิธรรมของพระสวดาบันเห็นการเกิดดับพระอาสัชิบอกภาษาริบุตรในวันนั้นภาษาริบุตรเห็นการเกิดดับ เพราะพอเห็นการเกิดดับเข้าไปในจิตเลยเนี่ยมันไปเห็นแล้วว่ารูปนามเห็นถึงความเป็นรูปนามก็ละสักกายทิฏฐิมันก็ไม่เป็นตัวตนแล้วเพราะมันไปเห็นรูปนามแล้วเห็นเป็นขันห้าเป็นรูปนามแก็วางความเห็นผิดลงหลังจากนั้นพอเริ่มเห็นพอเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังก็เริ่มสังเกตรูปนามนี้เข้าไปอีกขันห้ารูปนามขันห้าเนี่ยเหมือนกัน เพราะนามสี่ตัวก็อยู่ในนามนั่นแหละเห็นรูปนามขันห้าเนี่ยความที่มันเกิดดับเพราะว่ามันเหมือนกับมันพยายามจะรักษาตัวเองให้ได้มันเลยเกิดดับโอ้โหสภาพที่มันพยายามรักษาตัวเองเกิดเกิดดับดับเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยมันเป็นทุกข์มา ก, ก, มากจึงเรียกว่าทุกข์ขันทุกขังเป็นสภาพทุกข์ที่ไม่มีผู้ทุกข์ตัวขันเองเนี่ยเป็นสภาพทุกข์ที่ไม่มีผู้ทุกข์นึกออกไหมครับ อาปุ๊กมานั่งทีนี่เป็นขันหนะ้านก็จริงๆก็เป็นขันหนะ้าเป็นสภาพทุกข์ที่ไม่มีผู้ทุกข์แต่อย่าเอาตัวปุ๊กนะเอาเป็นขันห้าทีนี้ผมเนี่ยเป็นจิตโง่ไปยึดขันห้าเนี่ยซึ่งมีสภาพทุกข์เกิดเกิดดับดับ เขาก็เกิดเกิดดับดบเนี่ยเซลล์ทุกอันนะลองขยายดูนะกําลังเกิดดับตลอดทั้งข้างในทั้งลมหายใจทั้งการทํางานทุกอย่างกําลังเกิดดับอุตรุดอยู่ข้างในผูปปุ ป, ปุพยายามรักษาตัวเองให้ได้เพื่อจะรักษาความสาวเอาไว้อย่างนี้แต่ทําไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติกําลังปรับข้างในกําลังเปลี่ยนแปลงอุตลุดเป็นสภาพทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์แต่มีจิตโง่ ปยึดสภาพทุกข์แล้วขอโทษมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงในเมื่อไปเอาของเป็นทุกข์มาเป็นเจ้าของรู้ไหมป๊อกไปเอาของเป็นทุกข์มาเป็นของเราก็ทุกข์เลยนี่คือเหตุใหญ่เลยที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิรั้งมโหลาน ไอ้มาด่าขันเนี่ยนะขันจริ ง, รงๆหืออือไหมไอ้คนหืออือนี่เฮ้ยมันด่ากูกูที่ไหนใช่ไหมถามขันเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ไอ้คนรู้เรื่องนี่นี่โกรธเว้ยแล้วก็บังคับขันออกไปเดินไอ้ขันนี่ก็เดินไปด้วยนะมันเกิดโทสะขึ้นข้างในพอมไปยึดถือ ความจริงขันเนี่ยมันก็มีอายุของมันตรกไหมอ่ะสมมติอายุแปดสิบปีลนะโดยเฉลีย่ยตอนนี้ช่วงเวลานี้อายุแปดสิบปีพอถึงเวลาแปดสิบปีขันทั้งหลายก็เสื่อมสลายไปตามกาลก็น่าจะหมดเรื่องแล้วงานนี้ไม่หมดเรื่องเพราะไอ้นี่ถ้าปุ๊กพูดได้ขันพูดได้เนา มึงมายึดกูาทาไมนะกูจบแทนที่กูจะจบไอ้นี่ไปสร้างเหตุเกิดให้ขันต่อไปอีกไม่ใช่ขันตัวเดิมนะเพราะว่าพอพามีคนด่าไอ้ขันนี่ก็สั่งสมอักุศลเอาไว้เป็นสัญชาตยานที่ฝังลากลึกก็ไปทำอกุศล พอถึงอายตนะเสียงด่ากระทบปั้งวิญญาณผัสสะเกิดจากอายตนะภายนอกบวกอายตนะภายในแล้วมีวิญญาณขึ้นมาแปลค่าพี่วิญญาณนี่ก็โง่ามาจากอวิชชาอยู่แล้วก็เกิดแปลค่าเลยว่ามันด่า ก, กูก็พากันไปทำกรรมเลย ขณะที่กําลังจะด่าเขาคืนวินาทีแรกก็เกิดเจตนาขึ้นมาก่อนพอเกิดเจตนาขึ้นมาปั๊บก็ฝังลากลึกกลับไปที่วิญญาณก็เกิดเป็นการสร้างบนภาวะไว้ในตัววิญญาณที่เป็นนามธรรมแต่เริ่มมีเมล็ดเหมือนฝุ่นละอองเข้าไปอยู่ในอากาศสมมติว่าวิญญาณเป็นอากาศเนี่ย เราก็บอกว่าวิญญาณเป็นนามธรรมอากาศเนี่ยสมมุติว่าเป็นนามธรรมแต่ถ้าเอากล้องจุลทรรศน์ขยายมากๆมากๆมากๆอากาศนี่จะมีฝุ่นละอองถูกไหมครับวิญญาณเช่นกันถ้าขยายวิญญาณเข้าไปให้มากมากมากๆมากมเข้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นฝุ่นละอองอยู่ในวิญญาณวิญญาณจึงกลายเป็นดูเหมือนจะไม่ใช่นามธรรมแ เพราะว่ามันมีรูปเข้าไปปดรูปต่างๆเหล่านี้สมมติว่าเป็นฝุ่นละอองให้เห็นภาพง่ายขึ้นสมมติว่าท่านด่าใครเจตนาที่ท่านด่าใครมันจะเกิดเป็นฝุ่นละอองหนึ่งจุดเข้าไปแทรกอยู่ในวิญญาณพอโกรธครั้งที่สองฝุ่นละอองนี้ก็ฝังเอาไปอีกครึ่หนึ่งฝังเข้าไปท่านคิดว่าตอนนี้ถ้าเอาวิญญาณของท่านมาขยายดูเนี่ย จะมีกี่จุดมันจะเยอะมากจากสิ่งที่ท่านทำกรรมเอาไว้ทั้งบาปทั้งบุญแล้วอะไรเกิดขึ้นพอขันนี้แตกสลายลงไปผู้เจ้าตรัสว่าไงครับมนุษย์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าใครเคยดูที่ผมบอให้ลินน้ำต่อต่อกันมาฝุ่นละอองนี้จะถูกถ่ายทอดต่อไป เมื่อขันนี้แตกสลายลงปฏิสนธิวิญญาณก็จะไปเกิดโดยเอามวลภาวะทั้งหมดที่สั่งสมมาติดตัวไปด้วยขณะที่เข้าไปปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่วินาทีแรกพวกจุดมวลภาวะทั้งหลายจะเริ่มค่อยๆปล่อยรหัสของตัวเองเพื่อจะสร้างนามรูปใหม่ขึ้นมาวิญญาณแล้วนามรูปถูกไหม มันกำลังก่อร่างสร้างนามรูปใหม่ขึ้นมาแล้วก็อายตนะตาหูจมูกดินกายขึ้นมาเป็นร่างกายใหม่โดยอาศัยพื้นฐานเดิมจากฝุ่นเม็ดเมดเมดเมดที่สั่งสมไว้นในจิตวิญญาณนี่แหละเป็นตัวไปสร้างกายชรูปใหม่ในท้องปัจจุบันวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงตรงนี้แต่ไปพบสิ่งนี้เรียกว่า DNA สเตมเซลล์ที่เป็นรหัสทั้งหลายที่ก่อร่างสร้างมนุษย์ขึ้นมาในท้องแม่จึงมาจากรหัสพันธุวิบากกรรมมันตกไปตัวหนึ่งที่นะักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงมันมาจากพันธุวิบากกรรมนี่แหละใครเคยทำอะไรมาไอเม็ดเม็ดทั้งหลายก็เริ่มค่อยๆ อ, ออกก่อขึ้นมา จากตัวเล็กๆผมก็ไม่รู้ว่าทำไมหูผมถึงแหวง่งถ้าสมมุติถอยหลังไปในอดีตผมมีวัวตัวหนึ่งแล้วผมเอาไอ้เครื่องคลิบหูวัวเนี่ยไปกึ๊กเหมือนที่เขาทาเจ้าของวัวเขาทำกันเนะีนะ่ยก่อนที่ผมจะทำอย่างนั้นได้ผมจะต้องมีเจตนาในการทำขณะที่ผมไปหยิบเครื่องนี้มาแล้วก็มองไปที่หูวัว รูปกระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นมาแปลค่าวิญญาณจะเข้าไปรับสัมผัสนี้ทั้งหมดแล้วก็บันทึกทุกอย่างหลังจากนั้นก็เกิดเจตนาในการทำร้ายเขาด้วยการปึ๊กหูมันภาพนี้จะสุปากฏอยู่ในเขาเรียกว่าสุขุมมารูปในวิญญาณสุขุมมารูปนี้ก็จะบันทึกภาพนี้เอาไว้ทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามไปอยู่ในท้องแม่ ก็ค่อยๆสร้างจากรหัสสิ่งที่เห็นอยู่ก็จะเกิดขึ้นมาหูก็แหว่งไปใครที่เคยทําร้ายสัตว์มันถึงได้มาหูบิดหูเบี้ยวหน้าจมูกเวิร์ดทุกอย่างมาจากรหัสพระเจ้าถึงได้ตรัสว่ากายของเธอมาจากกรรมเก่าส่วนกรรมใหม่เรากําลังสร้างกรรมที่ดีก็ว่ากันต่อไปเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้เลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะเมื่อเกิดผัดสะจะมีวิญญาณเข้ามาแปรค่าถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกการกระทําไม่มีทางค้นจากวิญญาณขึ้นมาได้เลยเพราะวิญญาณเข้าไปแทรกอยู่ในอายตนะทั้ง6กผัดสะจึงเป็นตัวกรรมไปไหนไม่รอดลวงานนี้ ทำยังไงอะใส่แว่นกันแดดอย่างน้อยมันติดน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะไปไม่รอดหรอกครูบาอาจารย์บอกกินยาพิษในส้วมก็ไปไม่รอดรอแอบไปด่าใครในห้องส้วมก็ไปไม่รอดคิดด่าใครในใจก็ไปไม่รอดเพราะมโนวิญญาณบันทึกเอาไว้หมดแล้ว ปรามาศครูบาอาจารย์ก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันปรามาศอยู่ในใจคนอื่นไม่ได้ยินแต่บันทึกไว้ในจิตวิญญาณหมดแล้วที่มีพราหมณ์ถามพระเจ้าว่าระหว่างจิตอะระหว่างกายวาจาใจทำบาปอันไหนบาปมากที่สุดพระเจ้าตอบว่าใจพราหมณ์ตกใจเลยถามเป็ครั้งที่สองพระเจ้าก็บอกว่าใจ ถามครั้งที่สามตัดติยมปีท่านก็บอกว่าใจเพราะกายมันจะไปบาปอะไรถ้าผมเป็นจิตและนี่เป็นขันขันเกี่ยวอะไรไเกี่ยวที่นี่นเกี่ยวที่นี่พอสมมุติว่านี่ไงถ้าเขาไปตบเขาเนี่ยก็ยิ่งบาปมากกว่าคิดติใช่ก่อนตบนี่ไอ้นี่เดือดก่อนนะไอ้นี่เดือดกว่านะ เดือดขึ้นมาเลยไอ้นี่ถึงไปตกเพราะไอ้นี่เดือดแล้วโทสะเป็นสัตว์นรกแล้วจิตประกอบด้วยเป็นภูมิของสัตว์นรกแล้วมันถึงขยับไอ้นี่ขยับกันไปหมดแล้วก็ไปตบเขาไงไอ้นี่รู้เรื่องที่ไหนล่ะไอ้นี่มากันทั้งควงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาปฏิบัติเนี่ยเพื่อมาชาระสิ่งนี้แล้วค่อยๆแยกแตกสลายมันออก อย่าให้มันรวมกันได้ถ้ารวมกันได้เมื่อไหร่เราเสร็จมันกําลังเราสู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเห็นผิดที่รุนแรงเราจึงต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตเพื่อจะเบียดมันได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยตอดมันไปเรื่อยให้มันลดอกุศลลงเรื่อยตอดมันไปเรื่อยทีนี้เรากลับมาดูกันอีกนิดหนึ่งถ้าปุ๊บ เป็นขันเนี่ยวันเนี้พุกไปสุบรีผมก็บอกว่าพอพุกสู่ปุ๊บ้าไปรู้มิติดแล้วรู้อยู่ตกลงถ้ามันจะมีการติดเนี่ยใครติดระหว่างไอ้นี่กับไอ้นี่ไอ้นี่ติด พอสักพักไอ้นี่ติดวันหนึ่งที่ปฏิบัติจนปล่อยความยึดถือปึ๊บกลายเป็นสุญญาตาลแล้วเนี่ยก็อยู่ต่อไปจนหมดแรงเหมือนถานในรถจักรไอ้น้ำรถจักรไอ้น้ำยังไม่หยุดทีเดียวต่อให้เลิกใส่ถ่านแล้วเนี่ยแต่มันก็วิ่งตึกตึกตึกตตามกำลังที่มันมีต่อไปจนกระทั่งหมดกำลังก็ สลายไปคืนสู่ธรรมชาติจริงๆคนที่ติดก็คือนี่คนที่เป็นมะเร็งก็คือนี่นี่ผมปล่อยนี่ผมไม่ได้ปล่อยบุหรี่นี่ผมปล่อยนี่มักมีองค์แปดปล่อยที่นี่ขันติดอย่าติดขันเราปล่อยการติดขันทำไม พระถ้าสมมุติว่าพระอาหารหันต์จากอีสานกับพระอาหารหันต์จากภาคใต้เนี่ยท่านคิดว่าพระอาหารหันต์จากอีสานติดข้าวเหนียวมไหมล่ะถ้าจะบอกว่าติดอ่ะเอาเข้าวเหนียวไปถวายพระจากใต้ท่านก็ไม่ฉันเหมือนกันแต่ถ้าเอาแกงไตปลามาท่านฉันเพราะโอ้ท่านฉันได้มากเลยพออาแกงไตปลามาหลวงปู่ติดไอ้นี่จะลงนระก หาอะไรก็ได้ท่านไม่ติดอะไรก็ได้แกงอ่อมของเชียงใหม่ก็ได้ไปถวายท่านท่านเลยกินข้าวไม่ลงเลยโหนี่แสดงว่าท่านติดอาหารถ้าเราไปอินเดียสักสิบวันวันที่หกตอนไกด์เอามาม่ามาให้เนี่ยกระโดดแย่งกันเล ย, เยวันแรกๆบอกกินอะไรก็ได้ทุกคนสุภาพกิจไหย กิบอกว่าผมรู้ดีรู้ดีกิจบอกว่ามามหันเนี่ยต้องเก็บไว้หลังวันที่ห้ามันจะอย่างกระทองเลยเน<ด>ี่ยไม่ติดแล้วทำไมเราติด อ, อ๋อเพราะเรามีกิเลสกิเลสก็ด้วยเนี่ยขันก็ด้วยทีนี้พอเราไปปล่อยความยึดถืออ่ะเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อน <S <S พอวิญญาณ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปฏิจจัตแม่ชีที่ถามหลวงปู่มั่นว่าอะไรที่กำลังฉันอาหารอยู่หลวงปู่ก็ตอบว่าสังขารกองทุก์กำลังฉันอาหารอยู่มั่นไม่ได้ฉันดอก เรารู้อย่างหนึ่งว่าท่านวางละแต่ท่านก็บอกว่าสังขารฉันอาหารอยู่ถ้าเรากลับไปดูคำว่าสังขารที่เราสวดสัพเพสังขารานสังขารคือร่างกายจิตใจชีวิตประกอบขึ้นด้วยรูปและนามสังขารคือร่างกายจิตใจ ร่างกายจิตท่านบอกว่าร่างกายจิตใจกําลังฉันอาหารสังขารการปรุงแต่งที่ขึ้นมาเป็นชีวิตยังมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนบุคคลละจะพูดว่าเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ก็ต้องใช้คำว่าสังขารทับไปเลยเพราะตอนนั้นมันมันไม่มีสภาพที่จะพูดออกมา เหมอนที่ผมบอกอะแมวแมวไม่มีที่ดันอะก็เหยียบเหยียบยบมันจะปีนขึ้นไปไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีวงเวงไปหมดแมวไม่มีที่ดันแต่ถ้ามีตัวตนแมวมันก็มีที่ดันขึ้นไปได้แต่ไม่แมวไม่มีเท้ามันก็ไม่ไม่จะดันอะไรมันก็ไม่มีผู้ดันด้วยจริงจริงก็ไม่มีแมวด้วยทีนี้พอเกิดกลับมา ในแง่ของคนพอเราเกิดอวิชชาความเห็นผิดไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ก็จึงไปสร้างสังขารจนกระทั่งมามีวิญญาณเอาละเราจะไม่พูดชาติแรกเราชุดพูดตอนนี้เลย <c oughs> สมมติว่าทุกคนในที่นี้ก็คือปุ๊กนี่เองวิญญาณหรือจิตโง่ของทุกคนก็เป็นผม จิตก็ไปยึดถือปุ๊กยึดถือสิ่งนี้ยมาเป็นเราเป็นของเร า, ท, า, ท, าทั้งๆที่ถ้าเราดูกันจ้องๆด้วยตาเห็นเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยวันหนึ่งถ้าท่านเกิดความตั้งมั่นแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆท่านจะเห็นสิ่งนี้ที่ตัวท่านเองไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลย ปุ๊กก็เป็นปุ๊กเป็นขันที่ทำงานเกิดเกิดดับดับมีเหตุปัจจัยให้ทำอะไรก็ทำไม่มีหมวดเหตุก็หยุดทำไม่ได้มีเราตรงไหนเลยตั้งแต่วินาทีแรกพอละความเห็นผิดเห็นตรงนี้ปั้งมันจะย้อนไปเห็นอดีตเลยเฮ้ยที่เราเข้าใจผิดมาหมดเลยเหรอเนี่ยแล้วมันจะเห็นเพื่อนเลยเฮ้ยเจ็ดพันล้านคนเข้าใจผิดเหมือนกันหมดเลยเหรอเนี่ย เป็นไปได้ยังไงเนี่ยพอเกิดภาวนาจนเห็นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> สิ่งนี้ไม่ได้มาเห็นตามพระพุทธเจ้านะสิ่งนี้คือการเดินตามมรรคมีองแปดแล้วจะตรัสรู้แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พอพูดอย่างนี้คนอุ้ยตรัสรู้เป็นคำที่ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตรัสรู้เป็นคำที่จิตตรัสรู้ขึ้นมาตื่นเป็นพุทธขึ้นมา สัสรู้เป็นคำกลางๆของจิตเพราะฉะนั้นพอจิตเริ่มตื่นขึ้นมาปั๊บเห็นความจิตเห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นในคำพีถึงใช้คำว่าเสมอกันด้วยวิมุตเท่ากันหมดไม่มีใหญ่เล็กอะไรอีกต่อไปจิตเดิมแท้ก็เท่ากันหมดจิตหนึ่งเท่ากันหมดรู้เรียบเรียบ แต่มันไม่เกิดเป็นสภาพรู้ที่เป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นตัวตนไม่มีหลังจากนั้นพอเข้าไปยึดถือขันก็เริ่มไปสร้างนามรูปมีตาหูจมูกลิ้งขึ้นมาเกิดการกระทบสมมติว่าทางหูมีคนว่าเข้ามาปับ๊บวิญญาณก็เข้าไปแทรกระหว่างเสียงที่กระทบมาที่หู วิญญาณก็เข้าไปอยู่รับรู้ตรงนั้นเลยพอรับรู้ก็เริ่มแปลค่าเป็นเข้าด่ากูเหตุเกิดจริงๆวิญญาณนี่แหละตัวแสบก็จึงก่อล่างสร้างพอผัดสะก็จึงเกิดเป็นเวทนาไม่พอใจในเสียงที่มากระทบทันที เพราะมีวิญญาณเข้ามาแทรกตรงผัสสะวิญญาณมาจากความจริงไม่ได้มาจากข้างบนหรอกเสร้างกันเสร็จวิญญาณก็เกิดดับตามขันต่งตางๆอายตนะต่งตางๆถ้าตาเห็นท่านกำลังฟังเสียงผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นมองอ่ะตอนนี้ฟังเสียงผมได้ยินไหมครับได้ยินพอผมหยุดพูดปุ๊บได้ยินเสียงแอร์วิญญาณจะเกิดเกิดดับดับ แต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ตั้งมั่นพอขนาดที่จะเห็นแต่ถ้าใครที่ทรงฌานอยู่ที่ปฐมฌานแล้วก็ภาวนาไปมากๆดับเสียงผมเสียงผมหูก็ดับด้วยพอได้ยินเสียงแอร์หูเกิดเสียงเกิด วิญญาณเกิดพอฟังเสียงผมเสียงแอร์ดับหูดับหูเกิดเสียงเกิดวิญญาณเกิดที่เสียงผมสมมติเกิดความพอใจที่จะฟังเกิดเป็นเวทนาอยากฟังอีกเกิดเป็นตัณหาพออยากฟังคู่ก็ชอบพออยากอยากก็ยึด พอเปลี่ยนคนอื่นมาพูดว่าพูดไม่ดีเลยสู้จันประสริฐไม่ได้นั่นเนี่ยเริ่มยึดพอยึดก็เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพอขันนี้แตกสลายไปวิญญาณนี่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่เป็นปุ๊กสองขึ้นมาแต่ทีนี้เริ่มเดินสี่ขาละปุ๊กเดินสี่ขา ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้จากสิ่งที่เข้าไปปฏิสัมพันธ์แล้วก็เก็บข้อมูลเอาเนี่ยเอาหยาบๆเข้าคร่าวๆอ่ะเชืัขอบคุณมากเพราะฉะนั้นขันห้าทำงานกันไม่เคยหยุด มีการเกิดดับทุกๆเสี้ยววินาทีน่าแปลกร้อยวันพันปีเราจะเห็นสักครั้งโอ้ยเห็นการเกิดดับแล้วมาเที่ยวนี้โชคดีจริงๆเดออืมดีแล้วมันเป็นเรื่องน่าแปลกนี่มันเกิดดับกันอยู่ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวเราภาวนากัน ก็ชี้ทางชี้ใกล้ให้เห็นหลังจากนี้ก็ลองดูเวลาคิดดับก็เห็นโอ้ความคิดดับแล้วก็มาเกิดอยู่ที่ลมไม่ต้องไปทำอะไรให้มากจับอะไรให้มั่นๆสักอย่างสองอย่างพ อ, อจะเอาแค่ลมจะเอาแค่สังขารสังขารดับลมเกิดอย่างอื่นก็จะจะเอาที่เวทนาเอาเวทนาเกิดเวทนาดับเอาให้มันมั่นๆสักอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะไปเทียบเคียงได้เอง ใครรู้สึกว่าโอ้โหฉันฟุ้งมากเกินนะลองดูหน่อยดิสังขารมันฟุงยังไงเดี๋ยวมันคิดอีกแล้วพอกลับมารู้ลมอ่ะสังขารดับมันก็รู้เองว่าเออพารู้ลมแล้วคิดไปไหนไม่รู้ก็ให้รู้อะไรคิดมันดับถ้าจิตมันไม่เดินเลยเนี่ยก็ช่วยมันหน่อยนะมันสั่งสมความเห็นผิดมามากมันไม่เดินจิปัญญาเลยไม่เห็นเกิดไตรากอยู่ต่อหน้าต่อตามันไม่เห็นอะไรสักอย่างก็ช่วยมันหน่อยนะช่วยมันหน่อย